ชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระธรรมปิฎกปออปยุตโตตอนที่32จะถามเรื่องที่ต่อนเนื่องกับเมื่อวานนี้ที่เรื่องเกีวกีนะฮะที่ว่าศีลเนี่ยต้องมาก่อนศีล ส, สมาธิและปัญญานะครละเสร็จแล้วเนี่ยในหลักการปฏิบัติจริงๆของไตรสิกขา ศีล ส, สมาธิปัญญาแต่เวลาจะไปในมาร์กนี่ทำไมปัญญาขึ้นก่อนอ๋อนั่นเป็นธรรมดาศีลนี่เป็นอยู่ในใจสิกขาอยู่ในกระบวนการฝึกมันตั้งใจไปในการฝึกมารกนะ้หมายถึงกระบวนการธรรมชาติแท้ๆในชีวิตของเราใ น, นชีวิตของเรามันก็จะเดินๆไปอย่างนั้น มันรู้เห็นเข้าใจอย่างไรมันก็คิดได้อย่างนั้นใช่ไหมความรู้เขาาเข้าใจเป็นอย่างไรก็คิดไปตามนั้นก็พูดไปตามนั้นก็ทำไปตามนั้นนี่นท่านว่าไปตามลำดับตามธรรมชาติของชีวิตทีนี้ส่วนศิขาเนี่ยมันเรื่องของการฝึกมันก็ธรรมชาติแต่เป็นธรรมชาติที่ต่อเนื่องจากคนจัดที่ว่าคนพยายามจัดตั้ง ให้มันดําเนินไปอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ว่าการที่จะฝึกคนนี่มันก็มีเหตุผลอยู่แล้วว่าต้องเริ่มที่พฤติกรรมเพราะเป็นของหยาบของปรากฏแลว้วอยู่ในวงแคบนะต่ว่าง่ายกว่าก็ได้ขอบเขตมันน้อยใช่ไหมดังนี้อย่างที่ว่าไปแล้วเนี่ยพฤติกรรมอะไรต่างๆนี่นมันอยู่ตัวไปหมดแล้วนะมันต้องทำซะก่อนถ้าขืนชานะ เราจะลาบากทีหลังใช่พอพฤติกรรมเราไม่ตั้งใจฝึกมันก็ต้องอยู่ตัวเข้ามันอย่างใดอย่างหนึ่งพอมันไปอยู่ตัวลงตัวเข้ามันแล้วอย่างที่ว่าเป็นความเคยชินทีนี้แก้ยากแล้วนะแล้วขอบเขตเข้ามันก็แค่นั้นะมันไม่มีความลึกซึ้งพิสดารเลยในพอพัฒนาพฤติกรรมไปแล้วเรื่องจิตใจนี่กว้างขวางละเอียดอ่อนมากมายใช่ไเราเรียถึงจิตใจ ก็ยังไม่ละเอียดไม่ลึกซึ้งไม่กว้างขวางเท่าปัญญาจัดการกับจิตใจในเรื่องของความรู้ความเข้าใจนี่ยังอีกเยอะไม่จบง่ายๆเพราะนั้นนี่ว่าถึงกระบวนการฝึกมันก็ต้องว่าไปตามนี้แต่นี่ในชีวิตของเราละ่ะในชีวิตที่เป็นจริงก็คือว่ามันดําเนินไปตามเนี้ยความรู้ความเข้าใจเป็นฐานอยู่มีความเห็นมีความยึดถืออย่างไรมันก็คิดไปตามนั้นแม้แต่คิดใช่ไหมฮะ มีความรู้เข้าใจแค่ไหนมีความเห็นอย่างไรความคิดมันก็ดำเนินไปตามนั้นความคิดก็ไปข้อสองสมาธิทิความเห็นความเข้าใจความยึดถือความเชื่อก็มาเป็นความคิดความดำริความตั้งใจจะเอาอย่างไรก็คิดไปบนฐานของความเข้าใจนั้นความเห็นนั้นความเชื่อนั้นเสร็จแล้วต่อจากนั้นก็จะพูดจะทาก็ไปตามหมด ใช่ไหมแล้วทีนี้ไอ้ตัวหมวดที่สามสมาธินี่เป็นตัวหนุนและเสริมพลังให้แก่อันไหนก็ตามที่มานะเช่นจะพูดจะทำอะไรไอ้ตัวพลังของจิตความเข้มแข็งนะสภาพของจิตมันจะมาเป็นตัวหนุนนั้นๆอีกทนะีก็อยู่ที่ว่าเราจะให้มี ความเข้มแข็งมีสภาพจิต ท, ที่เอื้อต่อการที่จะทำจะคิดจะอะไรยังไงใช่เพราะนั้นฝ่ายมากนี่ว่าไปตามกระบวนการของชีวิตนี่พอไปเข้ามาสู่ชีวิตของเราชีวิตของเราดำเนินไปตามนั้นเราฝึกมาได้แค่ไหนแต่ไอตัวสิกานี่คือกระบวนการฝึกฝึกให้เป็นแล้วฝึกได้แค่ไหนกระบวนการของชีวิตมันก็ดำเนินไปตามมักที่ว่ามีความรู้ความเข้าใจเท่าไหร่เพราะที่จริงที่เราฝึกเนี่ย ป้าหมายแทนไปอยู่ที่ตัวปัญญาใช่ไหมไอ้ปัญญานั่นแหละกลับมาเป็นฐานของมัจมาเป็นสมะทิติรู้เท่าไรเข้าใจเท่าไรก็ทำไปได้เท่านั้นเนะี่ยพอจะเห็นนะนะอ่าการว่ากระบวนการฝึกที่เราตั้งใจจัดการกับชีวิตนี้นี่เป็นสิกขาส่วนกระบวนการเขาชีวิตเองที่เป็นไปนตามธรรมดาขอามันก็เป็นมัจเนะีอันนี้เราก็พยายามที่จะให้มัจเกิดขึ้น จะการที่ฝึกได้ใจสิกขาก็สอดคล้องกันเป็นเะต้องให้ความสําคัญกนด้ารปัญญาด้วยอย่างนี้นว่าให้ความสําคัญกับความคิดไปทิศทีว่าการจะทําอะไรก็ตามแต่ทิศที่ต้องถูกต้องก่อนถ้าทิศผิดมันก็นําไปสู่ทุกอย่างที่ผิดก็ใช่นั่นแต่ว่าหมายถึงวันนี้กระบวนการของการทํางานเขาชีวิตมันจะไปตามความเชื่อความคิดเห็นความเข้าใจความรู้นะมันก็ ทำได้เท่านั้นตามขอบเขตของมันและตามแนวทางของมันอเอานะทั้งนั้นก็กลับมาเรื่องเก่าของเราพูดเรื่องใจสิกขาก็มาพูดเรื่องข้อปลีกย่อยในระบบของใจสิกขาเมาื่อวานนี้ก็พูดเรื่องเรื่องศีลก็ศีลก็ยังมีเรื่องต้องพูดอีกมากแต่ว่าก็เอาไว้พูดต่อไปในเมื่อมีเรื่องเข้ามาเกี่ยวข้อง ในแง่หลักการกว้างๆก็คิดว่าเอาเท่านี้ก่อนตอนหนึ่งคุณอาจารย์คำถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องวินัยนีอันนี้จะตัดสองนะเพราะว่าในในปารีส่วนว่าอุปาศิการแต่ว่าพอตอนแปลนี่แปลว่าถ้าหากว่าคลที่สามที่เชื่อถือได้ก็เลยไทราบว่าจริงๆดูคนที่สามนี่ลงบูดูช่วยเปล่าเมื่อปารีสยังไม่ได้ไปตรวจ ด, ดูคําอธิบายวิพังของสิกขาบทนะไปตรวจให้แน่อีกที อันนี้ก็เรื่องศีลก็พูดกว้างๆไปแล้วส่วนเรื่องที่จะพูดเพิ่มเติมนี้ให้อยู่ที่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องข้างหน้าก็โยงเข้าไปแล้วก็ จ, จะพูดทีนี้ก็มาเรื่องสมาธิบ้างสมาธินี่ผมก็ไม่แน่ใจว่าครั้งก่อนก่อนูน้นนานมาแล้วได้พูดอธิบายไปแค่ไหนเนี่ย อันนี้สมาธิก็บอกแล้วว่ามันเป็นตัวแทนหรือเป็นประธานของกระบวนการฝึกด้านจิตก็เลยเอาว่าเอาสมาธินี่มาเป็นชื่อเรียกแทนการฝึกด้านจิตใจทั้งหมดเลยอันนี้ที่ว่ามันเป็นตัวรองรับน่ะมันเป็นการทรงตัวของจิตอยู่ตัวอยู่ตัวได้ที่ อะไรแต่อะไรที่มันจะทำอะไรได้ผลมันต้องอยู่ตัวได้ที่ก่อนใช่ถ้าจิตมันไม่อยู่ตัวไม่ได้ที่แล้วมันก็ทำอะไรไม่ค่อยได้ผลอย่างที่เปรียบเทียบว่าเหมือนกับเรามีฐานหรือที่รองสักอย่างหนึ่งถ้าฐานหรือที่รองนั้นไม่มั่นคง อย่างเองเอียงไปมาคลอนแคลนอยู่สิ่งที่วางอยู่บนนั้นก็ลมระเนระนาดหรือพลัดตกหล่นไปเลยคุณธรรมสิ่งที่เป็นคุณสมบัติของจิตใจก็เหมือนกันถ้าจิตไม่เป็นสมาธิก็ขาดฐานที่มั่นคงนะมีความหวั่นไหวอยู่คุณธรรมหรือคุณสมบัติของจิตนั่นก็ตั้งอยู่ไม่ได้ดีนะก็ง่อนแงน่นแล้วก็อาจจะเสื่อม เกิดขึ้นเสื่อมตกล่นหายไปนั่นสมาธิก็เป็นที่รองรับอย่างดีของคุณสมบัติต่างๆของจิตใจทีนี้ที่ว่าทรงตัวมั่นคงที่เราเรียวกว่าตั้งมัน่นบางทีเราก็จะมองไปว่าเป็นนิ่งบางทีเราแปลกันว่านิ่งนะติดเป็นสมาธิเนี่ยก็ถูกต้องนิ่งแต่ว่าคำว่านิ่งเนี่ยชวนให้ ชวนให้เข้าใจเป็นอยู่เฉยๆอยู่กับที่ต้องระวังนี้สมาธิเนี่ยมันใช่ว่าหมายถึงจิตนิ่งอยู่กับที่หรอกมันทรงตัวเขามันได้มั่นคงแนวไปเพราะฉะนั้นแม้แต่เคลื่อนที่มันก็ไปอย่างมั่นคงสม่ำเสมอใช่ไอย่างรถหรืออะไรก็ตามเนี่ยที่มันจะเป็นไปได้ดีวิ่งได้ดีมันต้องทรงตัวได้มั่นคงสม่ำเสมอ แล้วก็แนวไปในทิศทางนั้นไม่สายถ้ารถสายก็คนก็ชักใจไม่ดีแหละใช่ไหมแล้วก็ไม่เฉพาะสายแม้แต่ว่ามันโครงเคลงเนี่ยสายมันก็อย่างหนึ่งโครงเคลงก็อย่างหนึ่งคือความมั่นคงความทรงตัวแนวอะไรต่างๆอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราต้องการทั้งสิน้น นี่ถ้าหากว่าสมาธิไปอยู่ในภาวะนิ่งอยู่กับที่อย่างนั้นไม่ก้าวหน้ามันก็อาจจะไปทางที่ว่าสบายแล้วก็เลยมีความสุขเกเสพสุขก็ดีไม่ดีขี้เกียจไปเลยนะเพราะฉะนั้นท่านก็เตือนไว้ว่าสมาธิกับพวกความขี้เกียจนี่เข้ากันได้เป็นพวกเดียวกันนะอันนี้ ท่านก็เลยให้ระวังว่าเมื่อมันได้สมาธินี้อาจจะเกิดโกสัชะโกสัชฌะเป็นคาบาลีแปลว่าความเกียดคร้านนะก็เลยต้องให้มีวิริยะความเพียรมาคอยหนุนมาคอยทวงดุลกันไว้ไม่ใช่ทวงอะมาดึงกันนะวิริยะนี่เป็นตัวดึงไม่ให้สมาธินี่หยุดนิ่งแต่ว่าให้เป็นการนิ่งชนิดที่ว่านิ่งนะคือหมายความว่า เดินหน้าไปอย่างเรียบมั่นคงแนวเลยใช่อันนี้วิริยะนี่มันทำให้เดินหน้าเมื่อวิวิริยะทำให้เดินหน้าวิริยะอย่างเดียวก็ทำให้พลานไม่สงบอาจจะลุกลี้ลุกลนหรือว่าไปไวเกินไปนไม่มั่นคงอัะนั้นก็มีสมาธิมาช่วย สมาธิก็คล้ายๆว่ามาช่วยดึงไว้ไอ้เจ้าวิริยะก็ดึงไปข้างหน้าไอ้เจ้าสมาธิก็คอยรั้งไว้นะอย่าให้มันไปเร็วเกินไปแล้วก็ให้การไปข้างหน้านั่นไปอย่างมั่นคงแน่วแนนะ่ก็เลยได้ผลเกิดความพอดีขึ้นมานะถ้ามีสมาธิด้วยแล้วมีวิริยะด้วยจะทำให้เกิดความพอดี ทั้งไปข้างหน้าก้าวหน้าด้วยทั้งไปอย่างมั่นคงแน่วแน่ด้วยนะก็เลยให้วิริยะกับสมาธิคู่กันนะแล้วสติก็คอยตัวตัวปรับจะเห็นว่าในองค์มรคนี่เรายังไม่ได้เรียนมรกกันนีนะ่ในมร์กนั่นมันมีหมวดสมาธิมันมีสัมมาวายามะนี่ตัวเพียนใช่ไสัมาสติสมมาสมาธิวิริยะวายามะมันต้องเพียนไม่ให้หยุด ในพุทธศาสนาบอกเลยว่าต้องก้าวหน้าอย่ามานิ่งหยุดอยู่ไม่ได้แต่ก้าวหน้าไปต้องมีสติคุมแล้วเอาสมาธิมาช่วยรั้งไว้นะีมาช่วยทําให้เกิดความมั่นคงแลนะ้วเนี่ยไปอย่างดีนะ้าไรอย่างนี้ก็เรียกว่าด้านจิตใจก็มาสนุนให้การแสดงออกทางกายวาจาพฤติกรรมนั้นเป็นไปได้ดีแล้วก็ปัญญาก็จะได้ทํางานอย่างได้ผลด้วยนะ ก็เป็นอันว่าสมาธินี่เป็นตัวสำคัญละ่ะแปลว่าเป็นภาวะที่มั่นคงแ น, แน่นไม่ใช่ว่าเพียงหยุดนิ่งอยู่กับที่แต่ว่าไปข้างหน้าอย่างสม่าเสมอด้วยอันนี้ได้บอกไว้ว่าสมาธินั่นเป็นตัวเอื้อต่อคุณสมบัติอย่างอื่นของจิตทั้งหมดจึงเอามาใช้เป็นตัวแทนเป็นประธานของหมดการฝึกจิตเพื่อจะให้เห็น ภาวะที่ว่าเขาเป็นตัวหลักเป็นตัวแทนเป็นตัวประธานเนี่ยก็มาดูลักษณะจิตของเที่เป็นสมาธิลักษณะของจิตใจที่เป็นสมาธินี้จะมีเป็นข้อใหญ่ๆสามข้ออันนี้จะพูดบ่อยๆพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้เองว่าจิตที่เป็นสมาธินี้หนึ่งจะมีกำลัง ตัวพระเจ้าก็จัดอุปมาไว้ว่าเหมือนกับคนเอาภาชนะใส่น้ําขึ้นไปบนยอดเขาหรือยอดเนินภาชนะนั้นก็อาจจะเป็นถังน้ําอย่างที่เราใช้กันอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่ใหญ่พอสมควรก็หิ้วเอาน้ําขึ้นไปบนยอดเนินแล้วก็าศาสตร์โครมกรจ็จะกระจายไปไม่มีทิศมีทาง น้ำนั้นแม้จะมากตั้งถังหนึ่งก็หายหมดไม่มีความหมายเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนกับจิตของคนเราที่ว่าไม่มีสมาธิไม่มีทิศทางนะ่สายกระจายไปหมดทำอะไรก็ไม่ได้ผลทีนี้เปลี่ยนใหม่เราน้ำถังเท่ากันนั้นขึ้นไปบนยอดเนินใหม่ทีนี้ตั้งใจ กำหนดทิศทางแล้วหาอะไรมาช่วยให้น้ำนี้ไหลไปอย่างเว่าพุ่งตรงไปเลยอย่างเช่นว่ามีรางมีท่อเป็นต้นแล้วก็เทน้ำใส่ท่อใส่รางพอน้ำเข้าในท่อในรางก็ไหลไปก็ไหลแรงเพราะว่ามันพุ่งดิ่งไปทางเดียว การ น, นี้ก็เหมือนกับจิตเป็นสมาธิอันนี้จะเห็นว่าสมาธิไม่ใช่หยุดนิ่งใช่ไหมเหมือนน้าที่ไหลพุ่งดิ่งไปทางเดียวนี้ก็จะมีกำลังแรงนี่แล้วก็คําเปรียบเทียบของสมาธิที่ทำให้จิตแน่วแน่ก็ทำให้มีกำลังแรงอย่างนี้นะะนี่เป็นคุณสมบัติที่หนึ่งหรืออาการของจิตที่เป็นสมาธิอย่างที่หนึ่งทีนี้สอง มีอุปมาหนึ่งก็พระพุทธเจ้าก็อุปมาไว้แล้วก็มาขยายความให้เข้ากับปัจจุบันมากขึ้น <waves. S 1> ก็เหมือนกับว่าเราไปตักน้ำก็เอาภาชนะอีกแหละไปตักน้ำในหลุมในบอ่อสมัยก่อนมันก็จะมีพวกหลุมเล็กๆที่เกิดจากเกวียนบ้างสัตว์ใหญ่ๆเดินบ้างมันก็กลายเป็นหลุมขึ้นมา ในหลุมนั้นก็จะมีน้ําขังเพราะว่ามีสัตว์มีคนอะไรต่างๆเดินกันอยู่เรื่อยน้ํานั่นมันก็ไม่นิ่งเมื่อน้ําไม่นิ่งน้ําในหลุมนั้นมันก็จะขุนเป็นตมคลักไปมองอะไรก็ไม่เห็นทีนี้เราก็เอาภาชนะไปตักน้ําจากหลุมนั้นมาแล้วก็มาตั้งไว้บนที่ที่มั่นคง ไม่หวั่นไหวแล้วก็ไม่มีลมพัดพาน้ำก็นิ่งสนิทไม่มีอะไรมากวนเมื่อไม่มีอะไรมากวนต่อมาอะไรอะไรที่มันละลายที่มันปนอยู่เป็นฝุ่นเป็นโครลอนอะไรก็ตามในน้าก็จะตกตะกอนนอนกลนหมดเสร็จแล้วเป็นยังไงน้ำนั้นก็ใสใช่ไหมนี่แหละเหมือนกับจิตของเราเนี่ยมีอารมณ์ต่างๆ เกิดขึ้นเดี๋ยวอนุ น, นมานี้ไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ความทรงจําเก่าๆมันขึ้นมาของใหม่เข้าไปรับรู้ทางตาบ้างรับรู้ทางหูบ้างวุ่นไปหมดนะพอวุ่นไปหมดแล้วอย่างนี้มันก็มองอะไรไม่ชัดเจนนะเรื่องนี้กําลังพิจารณาอยู่เอาเรื่องโน้นเข้าใหม่แหละตัดต่อหรือบังไปสิและนะพอจะพิจารณาเรื่องนี้ยังไม่ทันลายเอาคนโน้นมา พูดเรื่องนี้อีกเอา้าเห็นอันนั้นอีก เ, อเข้าไปอีกแล้วก็บุ้นกันไปหมดอย่างเงี้ยทีนี้จิตมันถูกกวนอยู่เสมอมีเรื่องราวอารมณ์เข้ามามากมายมันบังกันเองไม่ต่อเนื่องไม่สม่าเสมอก็เลยมองไม่ชัดยิ่งมีความรู้สึกโกรธรู้สึก ใจคอไม่ดีน่ขัดเคืองหรืออะไรต่างๆขึ้นมาก็ยิ่งทำให้วุ่นวายใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นจิตไม่สงบจิตก็จะไม่ใสคุณมัวเศร้ามองมองอะไรก็ไม่ค่อยเห็นทีนี้พอจิตเป็นสมาธิก็หมายความว่าเรื่องราวอะไรที่เราไม่เกี่ยวข้องไม่ต้องการมันไม่เข้ามากวนได้ ก็เหมือนกับฝุ่นโครนเป็นต้นที่มันตกตะกอนลงไปหมดภาะวะสิ่งที่ปนอยู่วุ่นวายอยู่ในจิตใจนี้สงบลงไปน่ยไม่มากวนน้ํามันก็จะใสทีนี้มันน้ำใสแล้วเราจะมองอะไรน่ยสิ่งที่เรามองนั้นมันก็จำเพาะไม่มีอะไรอื่นเข้ามาวุ่นมาบังมันก็เห็นชัด พอเมื่อมีน้ําใสแล้วอะไรอยู่ในน้ํานั้นเราก็มองเห็นได้ชัดเจนนี่ก็เหมือนกับจิตที่เป็นสมาธิจะเป็นจิตที่ใสสามารถเพ่งมองสิ่งที่ต้องการอย่างเดียวตามตา ม, ตามปรารถนาได้ก็เกื้อกูลต่อปัญญาจิตที่ใสเป็นสมาธิก็เป็นปัจจัยแก่ปัญญา เราก็จะ ม, มักจะอ้างพุทธภาษิต ท, ที่บอกว่าสมาฮิโตยถาผูตังปัญชานาติเมื่อจิตตั้งมั่นคือเป็นสมาธิแล้วก็รู้เข้าใจตามเป็นจริงปัญชานาติก็เป็นกิริยาของสาพะปัญญานั่นเองสมาฮิโตก็สมาธิเพราะนั้นสมาธิก็เกื้อหนุนปัญญาแต่ไม่ใช่หมายความว่าพอมีสมาธิแล้วก็ปัญญาก็เกิดมาเองไปเลย ถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วโยคีฤษีดาบทในอินเดียแกก็ได้สมาธิถึงสมาบัต 8, แปดแกก็คงตรัสรู้ไปหมดแหลเปล่าจิตมันใสพร้อมที่จะให้เห็นเนี่ยมันใสยอยู่แล้วถ้ามองก็เห็นแต่เรามีตาเราไม่ใช้ตาไม่ลืมตามันก็ไม่เห็นเหมือนกันนะนั่นปัญญาเปรียบเหมือนดวงตาไม่ใช้ปัญญาไม่พิจรารณาไม่มองไม่ดูก็เลยไม่เห็น ก็เลยเอาจิตเป็นสมาธิที่มันใสเนะี่ยกลับไปวุ่นอยู่กับเรื่องอื่นไปเรื่องไปใช้พลังจิตบ้างหรือไปหาความสุขอยู่ก็เลยไม่ได้ใช้ปัญญาไม่พิจรารณาเอาละนี่ก็เป็นลักษณะจิตเป็นสมาธิประการที่สองต่อไปประการที่สอันนี้ก็เป็นผลพ่วงมาเองของสมาธิคือว่าเมื่อจิตมันเป็นสมาธิตั้งมัน่นมันก็สงบ คือไม่หวั่นไม่ไหวไม่วอกแวกไม่พลานไม่ฟุ้งซ่านไม่เร่าร้อนไม่กระวนกระวายไม่มีอะไรกวนนะเพราะว่าจิตของเราต้องการจะอยู่กับสิ่งใดก็อยู่กับสิ่งนั้นเมื่อต้องการอยู่กับสิ่งใดอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งอื่นไม่เข้ามากวนมันก็สงบสงบสบายก็ทําให้มีความสุข ความสุขกับสมาธิเนี่ยมันก็เกื้อกูลต่อกันเป็นธรรมดาจิตที่จะเป็นสมาธิก็ต้องอาศัยความสุขอยู่แล้วถ้าเรียกว่าความสุขเป็นปัจจัยฐานแก่สมาธิถ้าจิตมันมีความทุกข์มันถูกบีบคั้นมันถูกกดดันมันก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิได้ยากนี่ว่าพอจิตสบายมันก็โน้มไปที่จะสงบเป็นสมาธินั้นความสุขก็เป็นปัจจัยฐาน เป็นตัวปัจจัยใกล้เคียงที่จะให้เกิดสมาธิแต่นี้พอสมาธิเกิดขึ้นแล้วมันสงบไม่มีอะไรกวนไม่พรุงพล่านไม่กวนกวายแค่ว่าไม่มีอะไรกว น, นก็สบายแล้วนะจิตที่มันเป็นปัญหาก็คือมันถูกกวนอ น, นุนเข้ามากวนนี่เข้ามากวนสงบไม่ได้นี่พอไม่มีอะไรกวนมันสบายมันอยู่ตัวดีมันก็สุขอีกลนะแล้วนั้นสมาธิก็ยิ่งเสริมความสุขเข้าไปอีก อันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่สามที่ว่าทำให้สงบแล้วก็สุขก็แปลว่าจิตที่เป็นสมาธินั้นมีอาการหรือมีลักษณะสำคัญสามประการอย่างที่ว่ามาหนึ่งก็มีกำลังแรงมีพลังมากสองก็ใสเอื้อต่อปัญญาแล้วก็สามสงบ หนุนความสุขทำให้มีความสุขได้มากนี่ก็จาลักษณะจิตเป็นสมาธินี้ก็เลยเอาไปใช้ประโยชน์ต่างๆกันบางท่านก็จะไปใช้ประโยชน์ในทางพลังจิตซึ่งมากที่ดีเราไม่ใช่บางท่านล่ะชอบเพราะอันนี้รู้สึกว่ามันตื่นเต้นดีนะคนเรานมันชอบนักเรื่องตื่นเต้นแล้วก็มันไปส่งเสริมกิเลสด้วย พอมีพลังก็คนชอบอยู่แล้วนี่ยชอบอำนาจชอบความยิ่งใหญ่การมีพลังจิตมันก็ไปเสริมความยิ่งใหญ่ความมีอำนาจเอออยากจะเอาไปทำโน่นทนํานี่ไปทางริททางปาฏิหาริจะได้เก่งจะได้ทำให้ฮึกเหิมอันนั้นในด้านที่เป็นพลังจิตนี่ต้องระวังมากมีกันมาก่อนพุทธกาลพวกโยคีฤีศีดาวด ที่หันไปเอาเด่นทางนี้จกนกระทั่งปัจจุบนันนี้พระที่ท่านไปอยู่อินเดีย น, น, นานๆท่านก็จะเล่าให้ฟังว่าพงศนักบวชอินเดียโยคิรุศีเนี่ยก็ยังยุ่งอยู่กับเรื่องฤทธิปาฏิหารนะยังชอบกับเรื่องเนี่ยในสมัยพุทธกาลก็เอาฤทธิปาฏิหารมาเป็นเครื่องวัดว่าถ้าใครเป็นพระอราหันต์ก็ต้องมีฤทธิเนี่ยทีย่างที่ในพุทธประวัติเรื่องชดินไงฮะ หอนชดินเห็นว่าพุทธเจ้ามาพุทธเจ้าเสด็จไปที่สำนักชดินเนะี่ยชดินก็เอาฤทธิ์วัดเออทานผู้นี้ดูท่าทางส ง, งบส ง, ง, งียมเรียบร้อยคงไม่ได้เรื่องนะไม่เป็นอรหันเหมือนเราหรอกว่างนะั้นเรานี่มีฤทธิ์เนี่ยใช่ไหมแต่ทีนี้พุทธเจ้ามาขอพักก็เออดีแล้วเดี๋ยวเราจะแกล้งซะให้ดีให้จะแกล้งซะตั้งแต่ตคืนนี้แหละจะไปรอดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นตั้งแต่คืนแรก ดินก็แกล้งพระพุทธเจ้าด้วยเรื่องฤทธิ์ปาฏิหารก็เป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าต้องใช้ฤทธิ์ในการประกาศศาสนาพระองค์ก็ต้องมีฤทธิ์ด้วยแต่พระองค์มีฤทธิ์เหนือกว่าดินก็เลยในที่สุดดินก็ยอมแล้วก็ฟังพระองค์แล้วพระองค์ก็จบเรื่องฤทธิ์แค่นั้นเมื่อเขายอมแล้วก็สอนธรรมะให้ปัญญาแล้วต้องให้สมาธิก้าไปสู่ปัญญา เป็นอันว่าในยุคพุทธกาลนิยมอย่างนั้นก่อนพระพุทธเจ้าบัดแล้วก็มาปัจจุบันนี้โยคีฤษีเดียที่ว่าพระในเดียท่านเล่าว่าเวลามีงานมีการมีเรื่องที่ชุมนุมกันใหญ่ๆพวกฤษีเหล่านี้ก็จะสมาอวดกันนะทําท่าว่าจะเหาะ อ, อ่างนั้นนะแล้วลูกศิษย์ก็มาช่วยกันยุดมายื้อต่างๆอาจารย์ไม่ต้องอาจารย์ทําทําไมอยะไรอย่างงี้นนะบอกเดียดก็ยังเป็นเลยบอกใน คำเพีย้ยแต่กรฐานเล่าว่ายังไงนะเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นแปลกอินเดียนี่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไ ม, ลไม่ทราบสินะท่านบอกว่าอย่างนั้นนะฮะเพราะสมัยพุทธกาลก็ในเรื่องย ม, มกปาติหารก็เป็นอย่างนั้ น, <mm นพวกนักบวชต่างเนี่ยมาชุมนุมกันก็ทําท่าหวหน้าจะแสดงฤทธิ์นะจะเหะาะแล้วพวกลูกศิษย์ก็มายืมมายุดฉุดชายผ้าบอกยายายาอาจารย์แค่นี้อย่าไปทํำเลยไม่ต้อง แคนี้ไม่สมไม่ค้มค่าท่านบอกเดืยวนี้ก็อย่างงนะั้นอ่ะเวลามาประชุมกันชุมนุมเอาแล้วอาจารย์จะแสดงฤทธิ์ลูกศิษย์ก็มายื้อมายุดเนี่ยอินเดียเป็นอย่างเงี้ยนะก็ตกลงว่าชอบกันนักเรื่องฤทธิ์ปาฏิหารมาเมืองไทยก็มีความน้มเอียงชอบอย่างนะั้นแตเป็นเรื่องตื่นเต้นดีเป็นเรื่องพลังอํานาจแล้วก็สนองกิเลสได้ด้วยนั่นก็เลยเรื่องการใช้ทางพลังจิตเนี่ย ไม่เป็นหลักประกันของความหมดกิเลสและความทุกขนะ์อาจจะใช้เสริมกิเลสได้ซ้าไปแต่ว่าถ้าใช้ถูกต้องก็ใช้ในทางไปเสริมพลังในการปฏิบัติงานพุทศาสนาแต่ว่ามันจะเป็นประโยชน์สหรับผู้ไม่มีกิเลสหรือมีเจตนามีคุณธรรมดีนะก็เอากลับมาใช้ในทางที่ดีไปท่านก็จะไม่อดตัวไม่แสดงตัวอะไรแต่ว่าเอามาสนับสนุนการทางาน อันนี้ด้านที่หนึ่งพลังจิตด้านที่สองก็เรื่องของการเอื้อต่อปัญญาเพราะทำให้จิตใสอันนี้ทามพุทธศาสนาจะเน้นจะใช้ประโยชน์มากถือว่าสําคัญเพราะว่าใจสิกขาไม่ต้องก้าวไปถึงปัญญาเนี่ยมัใช้อยู่แค่สมาธิศีลสมาธิปัญญาสมาธิก็เป็นปัจจัยช่วยให้พัฒนาปัญญาเจริญปัญญาใช้ปัญญาได้ผลดีเนี่ย ส่วนข้อที่สก็ทําให้จิตสงบมีความสุขอันนี้ก็ต้องระวังมันที่จริงมันเป็นตัวหนุนน่ะเป็นตัวหนุนเพราะว่าเราจะทํางานใช้ปัญญาใช้จิตใจในเมื่อจิตมันสงบมันสุขมันก็จิตมันก็พร้อมมันไม่พรุงพล่านมันไม่ใส่มันก็ทําให้ทํางานได้สบายได้เต็มที่ก็ไม่มีอะไรกวนมันก็ทํางานได้ดีแต่นี้ถ้าหากว่าเราไม่ไปใช้ในแง่ปัญญา ไม่เอาจิตไปใช้ประโยชน์ก็เลยมาเสวยความสุขกับความสงบนั้นเสียก็อย่างที่บอกเมื่อกี้กลายเป็นขี้เกียจไปก็กลายเป็นเครื่องชุดเหนี่ยวร่างเราให้หยุดอยู่กับที่ไม่เดินหน้าอันนั้นต้องระวังสาหรับข้อที่สามนี้สาหรับท่านผู้ปฏิบัติธรรมยังเพียรพยายามอยู่จะใช้พักผ่อนจิตใจหรือพักผ่อนกายได้คือ ระวงังผิดแต่ว่าไม่ให้ประมาทไม่ให้เหนียวรัง้งให้กลายเป็นคนหยุดนิ่งแต่บางครั้งนี้การพักผ่อนมันก็เป็นเรื่องจำเป็นนอย่างร่างกายของเราใช้งานมากมากกับพักผ่อนสบ้างและยิ่งท่านผู้ที่บรรลุธรรมสำเร็จแล้วอย่างพระพุทธเจ้านี้ไม่ต้องเพียรพยายามเพื่อฝึกตนอีกก็ได้จต่ํางานเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นกระจาริกไปโน้นกจาริกไปโนนสั่งสอนกลับมาพระ อ, องค์ก็เหนื่อยพระวรากาย พระองค์ก็จะเข้าฌานพักผ่อนเรียกว่าทิฏฐธ ร, รมสุขวิหารอันนั้นประโยชน์ข้อที่สของสมาธินี่จะใช้ในแง่นี้เป็นเครื่องพักผ่อนเรียกว่าทิฏฐธ ร, รมสุขทิฏฐธรรมสุขวิหารแปลว่าการพักหรือการอยู่การพักให้สบายในปัจจุบันใช้เป็นเครื่องมือเครื่องช่วยในการพักผ่อน นี่ประโยชน์ที่สามแตทั้งหมดนั้นก็ไปอันว่าจุดศูนย์รวมก็คือว่าให้ก้าวหน้าในใจสิกขาเพราะฉะนั้นจะต้องหนุนไปสู่ปัญญาเพราะฉะนั้นข้อที่สองคือทำให้จิตใสนี่จะเป็นจุดเน้นทีนี้ถ้าเราใช้เป็นก็ในแง่พลังจิตมีกําลังก็ามาหนุนเรื่องการใช้ปัญญาทําให้จิตมีกําลังการใช้ปัญญามันก็ต้องอาศัยจิตที่มีกําลังจึงจะทําทงานได้ผล จิตมีกำลังก็ยิ่งทำให้การใช้ปัญญาได้ผลดียิ่งขึ้นในข้อที่สจิตสงบสุขมันก็มาหนุนการใช้ปัญญาดังนั้นก็ใช้แบบประสานกันก็เป็นประโยชน์แปลว่าถ้าใช้ถูกแล้วมันก็ดีไปหมดภาวะที่จิตเป็นสมาธินี้ท่านก็เลยเรียกว่าเป็นกรรมนิยะกรรมนิยะก็แปลว่าเหมาะแก่การใช้งานะฉะนั้นจิตที่เป็นสมาธิก็มีลักษณะที่พูด ให้ตรงกับจุดมุ่มงหมายในทางไตรสิกขาในการปฏิบัติทางพุทธศาสนาเราใช้คําว่าจิตเป็นกรรมนิยะแปลว่าจิตเหมาะกับการใช้งานนุ่มนวลควรแก่งานนะมูทุด้วยมูทุก็แปลว่านุ่มนวลไม่แข็งไม่กระด้างถ้าจิตไม่กระด้างซะแล้วมันก็ใช้งานยากนุ่มนวลแล้วก็ครรมนิยังควรแก่งานหรือเหมาะแก่งาน ก็ใช้งานได้ดีก็ก้าวไปสู่ปัญญาพิจารณาก็ได้ผลอันนี้จากที่พูดมาลักษณะอาการของจิตที่เป็นสมาธินี่ก็เข้ากับที่พูดมาบอกว่าทำไมสมาธิจึงเป็นประธานของคุณสมบัติของจิตอย่างอื่นทั้งหมดเลยก็อย่างที่ว่ามันตั้งมั่นทำให้คุณสมบัติอื่นนี่ ดำรงอยู่ได้คงอยู่ไดนะ้แล้วก็อาศัยจิตที่เป็นสมาธินี่เจริญ ง, งอกงามนะถ้าหากว่าไม่ตั้งมัน่นมันก็มีแต่จะคลอนแคลนงอนแงนแล้วจะตกหล่นเสื่อมถอยไปอันนี้พอมันมั่นคงก็สามารถจเจริญงอกงามได้ดีนี้ภาวะที่จิตมีพลังามันก็มาช่วยใช่ด้านสมรตถภาพจิตนี้ก็ได้หมดสมาธิก็ช่วยด้านความสงบ ด้านสุขภาพจิตจิตสบายโล่งปลองปรงผ่องใสก็มาได้การกับสภาพสมาธิแล้วคุณสมบัติที่ดีอื่นที่เป็นกุศลมันสอดคล้องกับจิตที่สงบจิตที่มันตั้งมัน่นะจิตที่อยู่ตัวจิตที่ไม่มีอะไรกวนนะถ้าากว่าเป็นฝ่ายอกุศลแล้วมันไม่สอดคล้องกับสมาธิมันจะมากวนสมาธิทันทีเลย อย่างโกรธขึ้นมานี้สมาธิถูกกลัทันทีเลยใช่ไหมจิตวันไหววอกแวกพรุงพรานตั้งมันไม่ได้ไม่รู้แหละอกุศลอะไรเกิดขึ้นมามันทําให้จิตพลุงพล่านบ้างวันไหวบ้างมันคุณมัวบ้งางเศร้าหมองแคบอึดอัดกดดันบีบคั้นใช่ไหมนี่อกุศลมีสภาพอย่างนี้ไม่ดีเท่านั้นเข้ากันไม่ได้เลยกับสมาธิแต่ทีนี้ถ้าสมาธิเกิดเนี่ยแสดงไอ้เจ้าพวกนี้ไปแล้ว มาอยู่และเจ้าพวกอกุศลนี่อยู่ไม่ได้นะแล้วทีนี้เจ้าฝ่ายกุศลก็ได้โอกาสใช่ไหมเพราะฉะนั้นพวกคุณสมบัติคุณธรรมต่างๆก็มาได้เมื่อสมาธิดีเพราะฉะนั้นสมาธิก็เลยเป็นตัวที่รองรับของกุศลธรรมคุณสมบัติดีงามของจิตทั้งหมดจึงมาใช้เป็นชื่อเรียกเป็นประธานของบดการฝึกจิตเลยเรียกว่าเป็นสมาธิไปเลยก็เห็นจะพอสมควรนะ อ็นี้ที่ท่านสุรเดชถามคําว่าสมถภาวนาก็เลยพูดซิกหน่อยคือคําว่าสมถะคาว่าสมาธิอะไรพวกนี้นะแล้วก็คําว่าจิ ต, ตภาวนามันจะมีความคล้ายๆกันเอาคําว่าภาวนาไปต่อแล้วได้หมดเลยจิตภาวนาสมถภาวนาสมาธิภาวนาแต่ว่า คำว่าสมถาภาวนานี่เป็นคำที่นิยมขึ้นมาบ้างในสมัยหลังยุคอัตถกถาสมัยพระไตรปิฎกนี่ใช้ว่าสมถะเฉยๆสมโถจะวิปัสสนาจะคำว่าสมถาภาวนาไม่พบที่ใช้ในพระไตรปิฎกและสมถะนั้นก็คือความสงบของจิตที่จะมาเอื้อต่อการที่ใช้ปัญญาต่อไปเพราะฉะนั้นปกติจะพูดคู่กั บ, ก บ, กบวิปัสสนา สมถโจะวิปัสนาจะสมถะและวิปัสนาสมถะก็บางครั้งกับพระพุทธเจ้าก็ตรัสแทนคำว่าสมาธินั่นเองอ่ะหมายความว่าบางครั้งคำว่าสมาธิก็ใช้คำว่าสมถะแทนได้เล็งไปที่อาการที่มันสงบนีสมาธิก็จิตตั้งมันในความตั้งมันก็มีความสงบสมถะแปลว่าความสงบระงับอกุศลให้อยู่ไม่ให้มีบทบาทไม่ให้มีทิพลไม่ให้มี กำลังไม่ให้ทำอะไรได้อันนี้พูดถึงคำว่าสมถภาวนาอันนี้มันมีคำใกล้เคียงก็คือว่าสมาธิภาวนาและจิตภาวนาอันนี้ในพระไตรปิฎกนั้นสมถภาวนาไม่พบที่ใช้ใช้แต่สมถะเฉยๆแล้วก็ใช้แทนคำว่าสมาธิได้บางครั้งพระพุทธเจ้าใช้แต่ก็ไม่นิยมเท่าคำว่าสมาธิ แต่คำสมถะนี่จะมาใช้นิยมเข้าคู่กับวิปัสสนาเป็นสมถโธจะวิปัสสนาจ ะ, สะแสดงถึงการเชื่อมโยงการวัดสมาธิทําให้จิตสงบแล้วก็ทําให้พร้อมที่จะใช้ปัญญาต่อนั้นสมถะก็จะมาเป็นฐานแก่วิปัสสนานะ่ยอันนี้กระบวนการปฏิบัติฝึกให้เกิดสมาธินี่ก็คือฝึกจิตฝึกจิตให้เกิดสมาธิ ต่อมาก็นิยมเรียกกระบวนการปฏิบัติทั้งหมดนี้ว่าสมถะระบบ ก, กระบวนการปฏิบัติทําให้เกิดสมาธิเรียกว่าสมถะต่อมาก็เติมภาวนาเข้าไปก็เป็นสมถะภาวนาแต่ว่าถึงยังไงก็ในอัตถกถาเองก็ไม่ได้โยมใช้บ่อยสมถะภาวนาใช้ไม่กี่ครั้งในก็อีกคำหนึ่งก็สมาธิภาวนาสมาธิภาวนาก็เป็นคําที่มีมาแต่เดิมในพระใจพิดอ ก็แปลว่าจเจริญสมาธิหรือทําสมาธิให้เกิดให้มีขึ้นมาให้เพิ่มขึ้นให้งอกงามขึ้นอันนี้ก็ไม่ได้ใช้มากมายอะไรเหมือนกันนะใช้ในพระไตรปิฎกแต่ว่าไม่ได้ใช้บ่อยมากมายก็มันก็เป็นศัพท์ธรรมดาก็แปลว่าทําสมาธิให้เกิดให้มีนะทีนี้อีกคำหนึ่งก็จิตภาวนาก็เป็นการ พัฒนาจิตใจนั่นเองคำนี้จะเป็นคำที่ค่อนข้างเป็นหลักวิชามากกว่าก็เป็นคำที่กว้างการทำจิตให้เจริญก้องงามซึ่งมีความหมายกว้างตัวประธานในการที่ทำจิตให้เจริญก้องงามก็คือสมาธินี่แหละนะาะฉะนั้นก็อาจจะใช้พูดกันแทนกันในความหมาย ก, กว้างๆได้บางทีก็พูดว่าจิตภาวนาหร อ, อาจจะพูด เน้นไปที่ตัวหลักตัวประธานกขาพูดสมาธิภาวนาทีนี้จะใช้ศัพท์ที่แทนสมาธิว่าสมถะก็เป็นสมถะภาวนาเพราะฉะนั้นก็เลยถือลม้มหลวมวื่าใช้แทนกันได้อันนี้จิตภาวนานี้ก็จะเป็นคําที่เข้าชุดกันกับคาว่าปัญญาภาวนาใช่ไหมปัญญาภาวนาก็คู่กับจิตภาวนาถ้าขยายลงข้างล่างก็ไปสีละภาวนากายะภาวนาที่พูดเมื่อคืนนี้แล้ว ครบชุดอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับศัพท์เป็นความนิยมด้วยแล้วก็มีความหมายพ่วงมาด้วยเอามาเป็นเพียงเกร็ดความรู้ประกอบก็ไม่ต้องไปติดใจอะไรมากในเรื่องนี้นะฮะก็คิดว่าพอสมควร